อจิรังว่าตยังกายโยกายของเรานี่ไม่นานหนอเมื่อวิญญาณออกจากร่างแล้วก็เหมือนท่อนไม้และท่อนฟืนให้พิจารณาลงไปที่ตัวของเรานี่ว่าตัวของเรามีกว่าความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแก่ในท้ำกลางดับสลายไปในที่สุด เกิดขึ้นในเบื้องต้นเกิดเป็นคนแก่เท่ามาก็ตายไปหรือยังไม่แก่ก็ตายแล้วเป็นต้นเพราะนั้นท่านจึงให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเราว่าตัวตนของเรานี่ไม่เป็นของกิรังยั่งยืน อายุร้อยปีเป็นประมาณคนที่จะถึงร้อยปีก็มีน้อยห้าสิบหกสิบก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาตัวตนของเราให้รู้ว่าเป็นของไม่กี่ลังยั่งยืนอกี่ลังวัตยังกายโยนร่างกายของเรานี้เป็นของไม่กี่ังยั่งยืน มีเกิดมีแก่มีตายเป็นธรรมดาให้พิจารณาทุกคนพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราว่าตัวของเรานี่เป็นอย่างนี้แหละก็แก่เท่าตายไปตายแล้วเราจะไปที่ไหนอันนี้มันสำคัญตายแล้วไปสวรรค์ตายแล้วไปนรก ตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเราจะไปอันไหนเราทำเหตุของการที่จะไปสู่พระโพภูมันั้นๆหรือยังเราให้ทานหรือยังเรารักษาศีลหรือยังเราปฏิบัติสมาธิวิปัสนาหรือยังถ้าเราไม่ทําสิ่งเหล่านี้ไว้เราตายแล้วเราก็ไปสู่พรโพภูมันต่ําไปสู่พรโพภูมันเร็ว ไปเกิดเป็นสัตว์ดิลาสารอสุรกายเปรตสัตว์นรกเราจะเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้ทำบุญทำกุศลไว้ไม่ได้สร้างความดีไว้เราจะไปที่ไหนจิตใจของเราก็ไปตามนาาบุนระบาสบุญที่ทำไว้ก็ไปสู่สุคติภูมิมีมนุษย์และสวรรค์เป็นต้น ถ้าว่าเราได้รักษาศีลไว้เราก็มีโอกาสได้ไปสวรรค์เราเรามีปฏิบททัติทาไว้เราก็มีโอกาสไปพนิพานเพราะฉะนั้นการที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงอัจถิธรรมนี้ต้องให้พิจารณาที่กายกายอันนี้เราลองแยกส่วนดูว่าตัวตวนคนเหล่านี้มีอะไรบ้าง ตัวของเราที่เราว่าตัวของเราตัวของเรานี่ส่วนไหนเป็นตัวของเราผมเป็นตัวของเราไหมเอาผมออกขนเป็นตัวของเราไหมเอาขนออกหนังเป็นตัวของเราไหมเอาหนังออกเนื้อเป็นตัวของเราไหมเอาเนื้อออกตับไตไส้พุง เอาออกหมดเหลือแต่โครงกระดูกมีเส้นเอ็นรัดดึงอยู่นี่เอาเส้นเอ็นเหล่านั้นออกกระดูกก็วางเรี่ยไรยกันอยู่ส่วนไหนเป็นตัวของเราหนังเนื้อเอ็นกระดูกอืมสิ่งเหล่นี้เป็นเราไหมหนังเป็นตัวเราไหม เนื้อเป็นตัวเราไหมขนเป็นตัวเราไหมเล็บเป็นตัวเราไหมตัวเราอยู่ตรงไหนให้หาตัวเราให้เห็นแย่อไปจนหมดเลยกระดูกเป็นตัวเราอืมเราบังคับไม่ให้เก็บได้ไหมไม่ให้ปวดได้ไหมไม่ให้เป็นอันตรายได้ไหมอยู่ในอำนาจของเราหรือไม่ เนื้อก็เหมือนกันเนื้ออยู่เป็นเนื้อที่ว่าเป็นของเราเราบังคับว่าไม่ให้เน่าไม่ให้เปื่อยไม่ให้ผูพังไม่ให้แก่มันแก่ไหมมันเป็นไปตามอำนาจของเราไหมให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณาเข้ามาตัวเราให้เห็นว่าตัวเรานี่ไม่มีอะไรว่าเป็นตัวของเราจริงไม่มี เป็นแต่สมมุติโลกหรือบัญญัติธรรมของพระพุทธจเจ้าเทนั้นสมมุติโลกก็คือโลกนี่ว่านี้ร่างกายอย่างนี้เขาเรียกว่าคนถ้าเดินสี่ขาเขาเรียกว่าวัวว่าควายว่าหมาไปอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละเขาเรียกว่าเราเรียกเราว่าเป็นคนคนนี่อยู่ที่ไหนคน ผมเป็นคนไหมหนังเป็นคนไหมเนื้อเป็นคนไหมกระดูกเป็นคนไหมตับไตไส้พุงเป็นกระดูกเป็นคนไหมนี่ดูลงไปจนถึงกระดูกกระดูกเป็นตัวตนของเราไหมนี่ถ้าเป็นตัวตนของเราเราทำไมบอกไม่ได้บอกว่าอยาก็ไม่อยาบอกว่า หยุดมันก็ไม่หยุดบอกว่าอย่าเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่าไข้ ย, ย่าป่วยมันก็ไข้ก็ป่วยอย่าตายนะมันก็ตายให้เราพิจารณาลงไปเห็นความจริงอันนี้ว่าอกิรังวัะยังกายอยู่กายนี้เป็นของไม่กิรังยั่งยืนอืมไม่กิรังยั่งยืนเราต้องตายแน่นอนทุกคนเลยในวันใดก็วันหนึ่งเราจะต้องตาย ที่ว่าไม่ตายไม่มีหรอกตายมดตายแล้วก็ทับทมแผ่นดินไปเปื่อยเน่าพุพังไปวิญญาณก็ออกจากร่างแล้วไปสู่พุพุมใหม่แล้วไปตามวานาธบุญบาปที่ทำไว้เราทำบุญไวล้วละเราก็ไปสู่พุพุมที่เป็นบุญเป็นกุศลที่มีความสุขความเจริญอย่างนี้แหละ อันให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแก่ถ้ามังกางตายไปในที่สุดห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนั้นของมันอันนี้ให้พิจะะารณาลงไปที่ตัวเรา ที่นาลงไปจนมันปล่อยวางได้นอนเนี่ยจนมันเข้าใจชัดนะจนกิตของเรารู้แจ้งเห็นกิิงขึ้นมาโน่นเนี่ยมันถึงจะวางได้โดยธรรมดาแล้วมันก็วางไม่ได้เก็บก็เก็บอยู่อืมเวลาเก็บก็เก็บเหมือนกันไม่ใช่ไม่เก็บ แต่เก็บแบบรู้ทันรู้เท่ากับเก็บแบบไม่รู้ต่างกันเก็บรู้ทันนี่ก็คือว่าโอ้เราเป็นอย่างนี้เรามีความเกิดขึ้นไปอย่างนี้มีความแก่ไปอย่างนี้มีความตายไปอย่างนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นอันนี้ให้เรารู้ทันรู้เท่ารู้เท่าความจริงรู้ทันความจริง เก็บแบบไม่รู้เท่าไม่รู้ทันเรคิดเราโอ๊ ย, อยพอเป็นเก็บใครเลยป่วยก็คิดเราโอ๊ยเราจะตายแล้วเราจะตายแล้วอืม응ก็ไม่อยากตายดินน้นรนบางคนก็ดิ้นรนนะพอเก็บเก็บตับก็อยากให้เขาไปตัดตับออกเขาไม่ตัดเขาว่าตัดแล้วก็จะตายตายก็ไม่เป็นไรเ응พราะมันเก็บมากเอาไปไปตัด เขาตัดจ้างเขาตัดจ้างเขาผ่าตัดเขาก็ผ่าตัดให้เขาเอาตับออกมาบ้านไม่ถึงสองสามวันก็ตายเลยอืออย่างเนี้ยเป็นต้นคือว่าแบบแบบไม่รู้เท่ารู้ทันถ้ารู้เท่า ร, รู้ทันนะโอ้คนเราเกิดขึ้นมาเป็นเมืองต้นแก่ทํากลางดับสลายตายเป็นที่สุดถ้า ร, ารู้ชัดอย่างนี้เราก็วางได้ วางความยึดมั่นถือมั่นได้วางความสำคัญมั่นหมายในตัวตนได้รู้วตัวตนของเรานี้ยังไงก็ต้องเป็นไปตามอานาจของความเปลี่ยนไปของชีวิตมันต้องไปเป็นไปตามอานาจของมันเราจะบังคับบัญชาแต่งตั้งให้เปอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไปไม่ได้ พาะอะไรพราะมันไม่ใช่ตัวของเราตนของเราให้ตั้งใจปฏิบัติไปให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเราว่าตัวเรานี่มีความเกิดขึ้นอย่างนี้แหละให้พิจารณาดูให้ดีพิจารณาให้เห็น เราจะต้องตายแต่แน่นอนที่สุดแหละทุกคนต้องตายจะมีเงินมีทองหรื อ, อยากจนค้นแค้นก็ตามก็าตายเหมือนกันทิ้งสมบัติของโลกนี้ไว้ให้อยู่ในโลกนี้ต่อไปเอาไปไม่ได้หรอกขนาดเขายัดใส่ปากให้แล้วไปเผาเรายังไปเขีย่ยเอาอยู่ให้พิจารณาอย่างนั้นอย่างที่อธิบายมาเมื่อกี้นี่ ใพิจรณาเข้ามาที่ตัวตนของเราเอาอะไรพิจนาเอาความสงบที่จิตที่สงบนั้นแะพิจารณาว่าตัวตนของเราจะต้องแก่ต้องตายเป็นธรรมดาตายแล้วกผุพังไปเปืยเน่าไปจิตวิญญาณออกจากร่างแล้วก็ไปสู่ภพภูมิใหม่ตามนาดบุญบาปที่ทําไว้